วันนี้เป็นวันมหามงคสลสำหรับพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและคารวะได้สละเวลาเมลาหน้าที่การงานทุกสิ่งมาแม่ที่สุดชีวิตก็ยอมเสียสละได้มาเพื่ออเพื่อทม <c oughs> นานๆจะมีสักครั้งหนึ่ง ที่จะได้ฟังอ่านฟังทำจำสำหรับพระรือประชาชนจังนวนม า, ากอย่างนี้ไม่ค่อยมีบ่อยนักวันนี้เป็นโอกาสพนดีงาม <c oughs> ที่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เรียกว่าพระลูกพระหลานมาเพื่อได้ยินได้ฟังข้ออ่านข้อธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติ สำหรับประชาชนก็เป็นลูกของพระคอยระดับกราบฟังเสียงอาจเสียงธ ร, รมอันใดที่ควรแก่ตัวเองที่จะปฏิบัติได้ก็ให้นำใบ ป, ประพฤติปฏิบตัติเพราะคาลวาดกับพระนั้นมีค่าสึกอยู่ในหัวใจด้วยกัน พระก็มีค่าศึกคือที่เลสทั้งหลายอยู่ในหัวใจพระอยู่ในหัวใจคารวาท ด, ด้วยกันนี่เรียกว่ามีค่าศึกวันนี้เราตั้งใจจะมาชำร ะ, ะสาสางล้างสิ่งมัวหมองทั้งหลายเหล่านั้นให้ค่อยจางไปจางไปด้วยอัดด้วยทาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟ <c oughs> ไฟคือราคธินาโทสักธินาโมหะธินานี่เป็นไฟสามกองใหญ่ๆไม่อยู่ในหัวใจสัตว์โลกไม่เคยจืดจางลงเลยเผาไม่อยู่ตลอดเวลามาตั้งกับตั้งกันจนปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกับอนาคตที่จะเป็นมาข้างหนา้าจะไม่มีวันดับวันสิ้นลงไปได้เลย โดยอาศัยเพียงธรรมะเท่านั้นซึ่งเป็นน้ำดับไฟท่านผู้ใดนำอัดนํำธรรมเข้าไปทำละล้างสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟในหัวใจของตนคือราคคินาโทสักิีนามหกกินาไฟสามกองนี้ให้ระงับดับลงอย่างน้อยให้พออยู่ได้เป็นสุข พอสุขหัวนอนได้ก็ยังดีนอกจากอื่นไม่มีสิ่งใดที่จะชำระล้างสิ่งเหล่านี้ได้ยึงมีทรรมเรียวกว่าศาสนาธรรมในปัจจุบันนี้ก็คือพุทธศาสนาของเราในนำธรรมมาประกาศสอนโลกเป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่แล้วเราทั้งหลายก็เกิดมาพบปะ ด้วยความมีวาสนาบุญญาพิจมพานพอประมาณได้มาพบพระพุทธศาสนาพร้อมกับความเชื่อความยอมใสความเมคารพนับถือขอใจประพฤติปฏิบัติตามโดยแสดงตนเป็นความเป็นผู้เป็นคนดีหลายประเภทเช่นว่าอุบาสก ค, คือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิง เรียกว่าผู้เข้าใกล้คิดติดพันกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกับภิกษุนี่อีกอันนี้เป็นแนวหน้า <c oughs> วันนี้ท่านตั้งหลายมาเพื่อฟังอัดฟังธรรมฟังการอบรมคำสั่งสอนถึงขอให้ตั้งอกตั้งใจนำไปปฏิบตัติในฐานะที่ผมเองมีอายุพรรษาแก่กว่ามากเป็นรุ่น ปูุ่่นย่าลูกพระลูกพันหลานทั้งหลายก็ไม่ผิดแล้วได้ผ่านเหตุการณ์มา <c oughs> นับตั้งแต่วันบวชมานี้ก็เป็นเวลาเจดิบสามปีนี่แล้วผ่านเหตุการณ์ทางโลกทางธรรมมาโดยสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้บวชก็อายุยี่สิบปีกับ9เดือนนี่ค่านแบบชุนละมุนวุ่นวายไม่ได้ใช้ความคิดความ ไตรตรองอะไรเลยแกก้าวเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเริ่มต้นตั้งแต่วันบวชเป็นพระแล้วนั่นแหละ <c oughs> ตั้งหน้ามาเป็นผู้รับตัวเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาจากชีวิตของคาราวะมาเป็นชีวิตของพระรักษาธรรมวินยัยเป็นชีวิตจิตใจ ตลอดมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาเจ็ดที่สามปีที่เรียกว่าผ่านเรื่องดีเรื่องชั่วทุกอย่างมาด้วยความทั้งรวมระ ว, วังตลอดมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติเรียนหนังสืออยู่ก็เป็นเวลาเจ็ดปีเต็มๆหลังจากนั้นแล้วก็ได้ออกประพฤติปฏิบัติโดยทูดงข้อวัด ดังพรงพุทธเจ้าท่านพาดําเดินมาที่ท่านแสดงไว้แก่พระทุกทุกองค์ที่เราทั้งหลายบวชแล้วได้รับพระโอวาทข้อนี้ทั่วหน้ากันไม่ปฏิปฏิเสธไม่ได้ว่าใครไม่ได้รับพระโอวาทสําคัญข้อนี้ไว้ไม่มีเลยเรียกว่าทุกองค์ไปเลยพระองค์ทรงประทานมรดกอันยิ่งใหญ่ ที่มีคุณค่ามหาศาลสามารถยังผู้ที่บำเพ็ญตามพระาวาทีข้อนี้ให้ถึงพระนิพพานได้โดยพระวจารับสั่งว่าลุคมูรเซนาสนังนิซาญปะชัาตัทะเตยาววชีวังอุซ า, าโฮกรณยโยมีพออาวปรสมุทแล้วพระองค์ประทานพระอาวาทข้อนี้ให้ทุกทุกองไม่มีเว้นเลย ว่าเมื่อบรระชาระะบรสบุรแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกมโมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดที่แจ้งรองฟางอันเป็นสถานที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียนไม่ปราศจากสิ่งรกรวรต่างๆการบำเพ็ญก็เป็นไปได้วยความสะดวกราบลื่นดีงาก ทางความภาคเพียรก็ได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับกับสถานที่เช่นนี้ยังขอให้พากันอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่เป็นพระาว่าของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีลบเลือนสดสดร้อนรอนก็คือพระอาว่าข้อนี้เอง เราทั้งหลายบวชมาแต่เพราะอย่างยิ่งวงกรรมฐานที่ให้ชื่อให้นามว่าวงนั่นวงนี้ความจริงเป็นลูปสถาคตอันเดียวกันนั่นแหละนี่เวลาออกมาอยู่ในป่าในเขาตามพระพุทธเจ้าจงประทานโอ้เรวาวาดมีไว้แล้วให้ฟ้ากันตั้งหน้าตั้งตาชอบในที่สงบสงัด อันเป็นที่สถานที่กําจัดกิเลดด้วยความเพียรได้เป็นอย่างดีหนึ่งขอให้มีความสนับในธรรมข้อนี้คือลูกขมูลเสสนังนี้อย่างสดสดร้อนๆ้อยอยาให้จืดให้จางถ้าหัวใจยังมีความสัมผัสสัมพันธ์อืเพื่อจะเป็นมักเป็นผลหรือไปมกักเพื่อมัก ไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วขอให้ถือธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆกระตุ้งเตือนใจอยู่เสมอเพราะสถานที่ทั้งสถานที่ดังกล่าวนี้บรรดาผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระผู้เกธเจ้านั้นได้ผ่านพ้นไปถึงภพมโรคนิพพานเป็นจํานวนมากมายเพราะพระโอวาทข้อนี้เอง ให้ฝากันจำเอาไว้ก <c oughs> ารอยู่ในปา่าในเขา <c oughs> ในถ้าเงื้อมผาเป็นสถานที่ไม่มีสิ่งรบกวนเราจะเด้วมองเห็นวิถีจิตที่ชิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาได้ชัดเจนเป็นลำดับด้วยสติของผู้มีความเพียรไปอยู่ที่ไหนให้มีสติ <c oughs> ละมัดระวังสตินี้ขอให้ท่านทั้งหลายวางเป็นพื้นฐานไว้ประจำตนเรื่องสติเป็นเรื่องสำคัญในวงพระพุทธศาสนาการฆ่ากิเลสตั้งแต่ขั้นล้งลุกครูขารจนถึงพันิภาณ <c oughs> จะไม่พ้นจากสติและปัญญานี้ไปได้เลยสติท่านจึงแสดงไว้เป็นพุทธโพธว่าสติสบัดสกัตถิยา สติจําต้องปราศถนาในที่ทั้งบัวนั้นไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนให้มีสติประจําตัวอยู่ทั้งนั้นนี้การประกอบความภาคเพียรของท่านผู้มีสติสตังจะเป็นความเพียรด้วยดีและราบรื่นดีงามถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวความเพียรจะไม่ก้าวหน้าเรียกว่าความเพียรหยุดชะงะ เพราะสติเป็นผู้พาดำเนินได้ขาดวักขาดตอนไปความเพียรก็ขาดในตอนนั้นจิเรียนก็ <c oughs> มีทาง <c oughs> ออกทาลายตัวเองในเวลาเผลอสตินั่นแหละยึงขอให้ทุกๆท่านจับสติไว้ให้ดีในการประกอบความเพียรก <c oughs> ารประกอบความเพียรมีหลายขั้นหลายฟูงของผู้ปฏิบัติขั้นเริ่มต้นนั้น เรายังไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรเลยนี่พูดเฉพาะพระผู้ตั้งหน้าตั้งตาออกแนวโลกจริงๆขอให้มีสติติดแนบอยู่กับใจของตนถ้าใจนั้นยังไม่มีอะไรเป็นที่ยืดที่เกาะให้นำคำบุญกรรมเข้ามาคำบุญกรรมตามแต่จริตนิสัยที่ชอบ <c oughs> ในคำใดเช่นพุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้ สังโฆก็ได้มรณะนัสติก็ได้หรืออนาปานัสติได้ทั้งนั้นตามแต่จริตนิสัยชอบแล้วเอาสติจับกับคำบุยกรรมคำบุยกรรมจับกับจิตไว้ให้ดีแล้วสติควบคุมมาอยู่นั้นแล้วทีเลต จ, จะไม่เกิดอาชันทั้งหลายสังเกตดูนะ ถ้าสติควบคุมอยู่แล้วกิเลส จ, จะมีหนานแน่นขนาดไหนก็ตามจะเกิดไม่ได้ที่สตินี้เป็นเหมือนฝั่งมหาสมุทรมหานิยมถ้าเป็นน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงก็ฝั่งมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นเป็นสําคัญมากมหาสมุทรน้ํามหาสมุทรทะเลจะล้นฝั่งไปไม่ได้นี่ชั้นใดก็ดี กิเลนในแดนมหาส ม, มุทรมหานิยมนี้มีสติเป็นเครื่องกัน้นเป็นฝั่งเป็นฝาเอาไว้กิเลมากน้อยเพียงไรจะไม่ล้นฝั่งคือสตินี้ไปได้เลยจงพากันตั้งสติให้ดีเรื่องสติเราจะเห็นได้ชัดขณะที่เราตั้งสติจริงๆต่อสู้กับ กิเลส จ, จริงๆนกิเลส จ, จะผลักดันออกมาในหัวใจของเราทุกขณะทุกเวลาผลักดันไม่หยุดไม่ชอยถึงขนาดหัวอกจะแตกนั้นฟังให้ดีนะท่านนะปฏิบัติจะทาบุญกรรมที่เราถูกกับญาณิสัยของเรานั้นแหละกราบสติให้จับติดไว้กับช่องทางที่สังขารด้แก่ความคิดปรุงจะเกิดขึ้น สังขารอันนี้เป็นสังขารสมุทยเป็นสังขารของกิเลสออกมาจากอวิชชาอวิชชาเป็น <c oughs> ข้างใหญ่ของกิเลสวัตตะวันทั้งหลายอยู่กับอวิชชาอวิชชาอยู่กับใจของแต่ละท่านละคนฝังอยู่ในหัวใจนั้นอันนี้จะผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงทางสังขาร คิดให้ปรุงตางฉันขานแล้วออกจากนั้นก็อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นคำว่าอยากรอบตัวเหล่านี้เป็นเครื่องผลักดันออกมาให้กิเลสได้คิดได้ปรุงได้ทางานตามความต้องการของมันถ้าเราเผลอสติ te, ก็เรียกว่าปล่อยให้กิเลสนี้ออกไปทำงานนำปืนนำไฟมาเผาเรา ่ายเดือดร้อนวุ่นวายภาวนาก็หาความสงบไม่ได้เพราพี่เด็กออกทำงานด้วยสังขารความชิดสูงเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราเป็นนักภาวนาออกแนวรบแล้วจงเป็นผู้ตั้งสติให้ดีสติ <c oughs> เมื่อติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมนี่หมายถึงผู้เริ่มผุ้หากเบื้องต้นถือคำบุญกรรมเป็นที่ยึดที่เกาะของจิต แล้วสติติดแนบอยู่กับคำบุิกรรมคำบุิกรรมนั่นเป็นงานของธรรมความคิดปรุงต่างๆเป็นงานของทเทเลความคิดปรุงที่เป็นครรมบุิกรรมนี้เหีือกว่าเป็นงานของธรรมมีสติควบคุมอยู่ภายในกรรมบุิกรรมของตนแล้วทเทเลจะเกิดไม่ได้นะมันจะมีหนานแน่นขนาดไหนเกิดไม่ได้ถ้าสติไม่เผลอแคอย่างเดียว กเลประเภทไหนมันจะเป็นน้ํำล้นสั่งมาจากไหนแต่จะล้นสั่งแห่งสติไปไม่ได้สติปิงเป็นของสําคัญมากให้สร้างทั้งหลายสติตั้งสติให้ดี <c oughs> ถ้าอยากตั้งรากตั้งฐานคือความสงบเย็นใจจนกระทั่งถึงความแน่นหนามั่นคงของใจที่เรียกสมาธิไม่ไปจากไหนไปจากความตั้งสติเป็นพื้นฐานนี่แหละให้ตั้งให้ดีนะ ถ้าตั้งแล้วกิเลสจะไม่เกิดจะมีมากขนาดไหนก็ก็ทำงานไม่ได้เพราะสติเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาไม่ให้กิเลสทำงานคือความคิดกลุ่ตมต่างๆอาจเปเรื่องของกิเลสสติครอบเอาไว้แล้วจะไม่ทำงานแต่ธรรมวิกรรมของเรานั้นทำงานตลอดกับสติเพว่กลุ่มกันไป ไม่กี่วันท่านทางลาจะเห็นความสงบเย็นใจภายในตัวของผู้บำเพ็ญไม่เผลอสติอืเอาให้ดีนะจุดนี้เอาให้ดีท่านผู้ตั้งยิ่งตั้งใจต่อมรรคผลที่ผ่านไว้แล้วยิ่งเมมข้มงวดตวดการทางสติอืจะตั้งเป็นสําคัญมากแล้วให้เจริญผู้ที่ยังตั้งรากฐานไม่ได้คือจิตใจยังหาความสงบไม่ได้ก็จะสงบขึ้นมา พอสงบแล้วเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอด้วยสติความสงบนี่จะแน่นหนามัน่นคงละ้หยัล้อมาเข้าจนก้าเข้าสู่สมาธิคือความแน่นหนามัน่นคงแห่งความสงบของใจนี่แหละสติเมื่อเข้าสู่สมาธิสติไม่ปล่อยไม่วางความรู้เด่นดวงอยู่ในสมาธิ จะไม่บริกรรมก็ได้เพราะจิตเด่นดวงอยู่แล้วแต่สติาพาคไม่ได้ต้องให้ให้อยู่กับความรู้เด่นนั้นนี่เป็นภาคคืนแห่งการดำเนินเพื่อจะเลื่อนฐานะของใจเราขึ้นสู่ความละเอีย ด, ดเรื่อยๆไปให้ตั้งสติอย่างนี้ทีนี้พอถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วจิตความชิดความตรงนี้จะ ไม่รบกวนความสงบเย็นใจมีกําลังมากกว่านั่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดก็ตามเดินเดินนั่งนอนความคิดความกลุงจะไม่มารบกวนมีแต่ความสงบเย็นใจแน่วอยู่เป็นความรู้เอกกจิจเอกธรรมท่านเรียกว่ามีความรู้อันเดียวท่านว่าเอกะกะตาจิตนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแท้เป็นอย่างนี้ทีนี้พอ จิตมีความส ง, งบบ้างพอประมาณแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์จิตอิ่มอารมณ์มแล้วจะไม่วอกแวกคอนแคลนหากก้าวเดินทางด้านปัญญาก็จะทำงานตามคำสั่งของเจ้าของได้แก่สติควบคุมอยู่แล้วก็จะทำงานพิจารณาแยกธาตุแยกขันนี่เดินตามทางของศาสรดาเพืพ่อมรุกผลควานให้ได้สงใจหวังสมกับว่า พุทธศาสนาเป็นธรรม ท, ที่อันนี้เป็นไงเนี่ย อ, อ็จกไปแล้วมันไม่ได้ยินนี่ไม่ได้ยินนี่หนิอันนี้ควรใจแล้วที น, นี้ให้เจ้าทางด้านปัญญาพี่เจ น, นาตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้ว่า วัยบวชนั้นท่านสอนอยังไงกรรมฐานห้าคืออะไรเจสาโรมานักขาทันตาตาโจเจรสาคือผมโรมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฝันตาโจคือหนังพอไปถึงนั้นแล้วท่านก็หยุดพอหนังนี่ครอบหมดในสกุลกายของคนของสัตว์ พอไปถึงหนังแล้วท่านให้หยุดถ้าพูดถึงเวลมเวลาก็เวลานั่นเป็นเวลาเฉพาะแต่ยังไงก็เมื่อเราได้พิจารณกรรมฐานทั้งห้านี้ไปถึงหนังแล้วมันจะกระจายเขาไปข้างในเพราะหนังนี่แหละทำให้โลกได้หลงงมงาย ไม่จืดไม่จางว่างเปล่าพาเกิดภาตายมากี่กัดกีกันพอหนังหุมหุ่มห่อไว้กลายเป็นของสวยของงามไปหมดมันไม่ได้สวยได้งามแม้แต่ผิวนังจริงๆก็มีที่เหงือที่ใครอยู่ในนั้นเรียกว่าที่<ม>เต็มตัวแล้วพิจารณาเข้าไปถึงภายในละกจากหนังเข้าไปแล้วเป็นไงเป็นเนื้อนั่นเป็นเนื้อแดงโลดเข้าไปทั้งหลายสไล ยิ่งมีตั้งแต่ความสกระโกโสมมเต็มเนื้อเต็มตัวนั่นอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ต้องได้เลชะได้ล้างกันไม่ล้างไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นป่าช้าผีดิบมันสกระโกเต็มตัวของมันตั้งแต่วันเกิดมาก็ต้องชะล้างกันด้วยมาทีนี้เวลาเอาหนังนี้ออกแล้วก็พิจารณาเขาไปข้างในไปยังไงหนังเนื้อเอ็นกระดูก ภายในนั้นก็มีจับไจใส่ภูมิอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาค้นคว้าด้วยทางปัญญาหนึ่งปัญญาจะค่อยสอดแทรเข้าไปสอดแทรเข้าไปตามหลักความเป็นจริงจะรู้เห็นตามเป็นจริงโดยลําดับลํานาจงกลายเป็นปัญญาที่เพลินต่อการแก้ทีเลสไปโดยลําดับนี่เรียกว่าก้าวเดินทางด้านปัญญาเพียงสมาธินั้นแก้ทีเลสไม่ได้เพียง ตีตะล่มทิเดชเข้าเข้าสู่ความสงบเป็นบางเวลาถ้าเราเพลินอยู่ในความสงบก็ไม่มีวันถอดถอนทิเดชจะติความสงบนี่จนกระทั่งวันตายนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องออกทางด้านปัญญาเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้พอประมาณแล้วจิตอิ่มอารมณ์แล้วให้นําออกพิจารณาแยกธาตุแยกฐานของเขาของเรา ทั้งใกลทั้งกลทั้งใน ท, ท, ทั้งนอกพิจารณาให้เป็นแบบเดียวกันหมดเรียกว่าปา่าช้าผีดิบในร่างกายของเรานี้นะ่ะมันมีของดีของดีที่ไหนเอาพิจารณาให้ดูดูให้ดีท่านจึงสอนลงจุดนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่สัตว์โลกติดเอามากมายสัตว์โลกทั่วโลกอาถรติดอันนี้ทางนั้นท่านจึงสอนลงไปในจุดที่ติดให้รู้ด้วยปัญญาพิจารณา ผมก็สั์แต่ว่าผมขนสัตว์แต่ว่าขนแลยบฝันหนังเนื้อเข้าไปรืม่มันมีแต่ปฏิกูลโสโคเป็นป่าชาผีดิบความสกปกครบรุงลังทั้งหลายเต็มอยู่ในร่างกายของท่านของเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องชาต้ตองล้างต้องทำความสะอาดเช็ดถูกันหมดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มนุษย์ตัวสกปกนีต้องได้ชาติได้ล้าง ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่สถานที่ใดต้องได้ชาระศาสารสามคอรตัวสำคัญตัวโสกโปกนี่มันเข้าไปเกี่ยวข้องสุดท้ายในร่างกายตัวเองนี่เรานุ่งห่มชนิตใดก็ตามก็ต้องซักต้องฟอกอยู่ตลอดเวลานี่คือความโสกโปกงสมมตให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ายาหยุดยาถอยด้วยปัญญา พอถึงการเวลาที่ควรจะพักสางสมาธิแล้วให้ถอยจิตเข้ามาพักสมาธิถือความทั้งอกใจเรียกว่าพักงานงานคือการก้าวเดินด้วยปัญญาเรียกว่าทำงานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในผู้ใจชัดเจนก็เหน็ดเหนื่อยที่หัวอกนั่นแหละเวลามันทำงานมันทาอยู่ที่กลางอกนะสติปัญญาทำงาน ไม่ได้ไปทำงานอยู่บนสมองเหมือนกับความจําทางด้านกัมญาณทางจิตะภาวนาแล้วจะเป็นอยู่ภายในสวงอกของเรางันจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วให้พักซะก่อนย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิเพื่อพักอารมณ์ใน แ, แก่การก้าวเดินของกัญญาไม่ให้ทำงานให้อยู่ด้วยความสงบเย็นใจทีนี้เมื่อ จิตมีความสงบเย็นใจมีกำลังบางชาพอสมควรแล้วถอยออกมาจากสมาธินี่ให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาอนี้กว่าสมาธินี่เป็นหินรับปัญญาก็ได้เมื่อด้พักสมาธิแล้วปัญญาก็เฉียบขาดเฉียบแหลมคล้องตัวกำลังวางชาทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากสมาธิที่ได้พักตัวพอสมควรแล้วทั้งนั้นทีนี้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญา พิจารณาส่วนได้ที่เคยพิจารณาพิจารณาซ้ำๆสากๆ ส, ส, ส, ส, สกรลกายของเหล่านี้มันเป็นธรรมภาติ น, นี้อยู่ทุกียาบทยืนก็สะกโปกนอนโสะกโปกนั่งสะกโปกอยาบททั้งสี่มีแต่วความโสะกโปกเต็มตัวของเราเองการพิจารณาของเราจริงไม่จำเป็นต้องนับเที่ยวนับเว ล, เวลาเอาจนกระทั่งสติปัญญามีความ <c oughs> ฉลาดรอบคอบในสิ่งเหล่านี้คล้องตัวคล้องตัวแล้วคล้องตัวลงไปแล้วมันก็ยิ่งเพลินในการพิจารณาทีนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันจะปล่อยของมันเองที่มันยึดก็คือมันไม่รู้ที่นี้ปัญญาเปิดทางแล้วต้องรู้ต้องรู้ไปลาดับแล้วค่อยปล่อยตัวลงไปปล่อยตัวออกไปนี่อุปทานก็เบาลงการพิจารณาร่างกายถึงขั้นอิ่มพอแล้วอิ่ เหมือนกับเรารับทานอาหารเวลาพิจารณาร่างกายนี้ถึงขั้นชุนมูลมุ่นวายนี่ชุนมูลจริ ง, รงๆเพลิดเพลินต่อการพิจารณาเรื่องอรูปะอรุปังทุกขงังอนิจจังอนัตตาตั้งขึ้นแล้วดับไปตั้งขึ้นแล้วทําลายตั้งขึ้นแล้วทําลายรวดเร็วขึ้นไปยังดับจนกระทั่งมันพอนะนี่นะฟังนะท่านผู้มาปฏิบททัติธรรมให้ฟัง เมื่อพิจารณากันและทะติปัญญามีความแขวะกล้าสามารถแล้วพิจารณาสิ่งเหล่านี้ขาดกบันลงไปจากใจเรื่องสุภาะอสุภาะขาดไปพร้อมๆกันนี่เนียกว่าจิตอิ่มอารมณ์อิ่มทางด้านวัตถุวัตถุธาตุในแก่โจพระเดาสารุมานะคะัคฐานันตาแะ่โจทั้งสกุลกายเราได้พิจารณา ถึงความรอบคอบจนอิ่มพอแล้วปล่อยว่านี่ทีนี้คําว่าอาชุพ่าลูกพังอันนี้หมดไปจิตใจอิม่มอิ่มแล้วเรียกว่ารู้ชัดแล้วไม่ยอมพิจารณาเหมือนเรารับทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วก็หยุดเองอันนี้เมื่อพิจารณาสภาพเหล่านี้พอตัวแล้วก็หยุดเองปล่อยเองหยุดเองจากนี้จะก้าวขึ้นสู่ทางนามธรรมา โดยอาศัยร่างกายนี้เป็นภาคพื้นไปก่อนพิจารณาจนช่ำชองช่ำชองแล้วปล่อยร่างตายนี้นามาทำจะปรากฏขึ้นมามีแต่พอปรากฏขึ้นมาก็ดับตั้งขึ้นมาจะว่าเป็นอสุภะอยุ่าไม่ทันดับลงไปแล้วตั้งขึ้นแล้วดับไปมีแต่ทุก ข, ขานะัตตาเนี่ยยึนเต็มหัวใจนี่เนี่ยว่าปัญญา พิจารณาผ่านสกุลกายการผ่านสกุลกายก็คือข่านราคาตันหานั่นเองราคาตันหาเลือนแหงร่างแห่งวัตจักรอยู่ที่ราคาตันหาราคาตันหาอยู่ที่ร่างกายของสัตว์ของหมูขข่คนเมื่อพิจารณา น, นี่รอบไปหมดแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันก็ปล่อยเมื่อปล่อยอันนี้แล้วกักบราคาตันหาก็ปล่อยไปด้วยกันไม่ไม่มีหมด นี่จากนั้นก็ฝึกซ้อมทางด้านนมามธรรมได้แก่อารมณ์ของใจเอาอาโดยอาศัยอจุภะสุภาษจงกระทั่งตั้งขึ้นแล้วดับพิจารณาแยกธาตุแยกการแยกอจุภะสุภังไม่ทันเพราะความรวดเร็วของความว่างของจิตพิจารณาไปดับไปว่างไปว่างไปเรื่อยเรื่อยทีนี้ก็พิจารณาอาการของจิต อาการของจิตทั้นเรียกว่านามธรรมาตัวสังขารเป็นสาคัญสังขารกับสัญญามันเกิดขึ้นมาจา ก, กจิตกันเวลาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปที่จิตดับไปที่จิตฝึกซ้อมกันที่จิตด้วยด้วยานามธรรมานี่แหละเป็นสิ่งฝึกซ้อมเข้าไปตามเข้าไปทนี้จะนิยั ก, กจิตมันว่างลนะ่ะพอหมดสกุลกายพิจารณาสกุลกาย หมดปล่อยว่างสกอากายนี้หมดแล้วจิตก็ว่างไปเลยทนี้ว่างแล้วเราจะพิจารณาอนิจ้างทุหรืออาชุภาสุฟางไม่ทันพอปรากฏภาพดับพร้อมดับพร้อมนี่เรียกว่าจิตอิ่มิีมตัวเป็นอย่างนั้นจากนั้นก็พิจารณาอาการทั้งหลายที่มันเกิดกับจิตดับไปกับจิตตามเข้าไปถึงรังใหญ่ของมันอวิเกี อ, อวิชาพิจารณาอาการของจิต ไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับตามเข้าไปตามความไปไม่หยุดไม่ถอยในขั้นนี้จะเป็นสติปัญญาจตรมัดเป็นสติปัญญาเป็นเองนะพอผ่านสกนลกายนี่ไปแล้วจะเป็นสติปัญญาจตรมัดในส่วนร่างกายนี่เป็นเป็นการพิจารณาด้วยความโฉดมูลวุ่น ว, นวายจะเรียกว่า สติปัญญาสนมัตไม่ได้ผ่านนี้ไปแล้วก็เป็นสติปัญญาสัตโนมัติแล้วค่อยหมุนไปเองฝึกซ้อมความเกิดความดับของจิตที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดแล้วดับตามเข้าไปตามเข้าไปเพราะสิ่งเว่านั้นปล่อยหมดแล้วร่างกายนี้ปล่อยโลกนี้กลายเป็นโลกว่างไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือต้นไม้ภูเขาเขาก็เป็นของเขาเอง แต่มันว่างอยู่ที่จิตวางอยู่ที่จิตมันว่างไปหมดนี่นี่เรียกว่าว่างขั้นหนึ่งของการพริจารณาจนกระทั่งเข้าไปถึงจิตเมื่อเข้าไปถึงจิตพอตัวแล้วมันก็รู้เองนี่เราพูดย่อๆให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังในการปฏิบัติตัวเองให้ดําเนินอย่างนี้แน่นอนไม่ผิดอืม ที่จะนาตามอาการของจิตแล้วจะเข้าไปสู่เ ข, ข้ามุนขอมันคืออวิชามันอยู่กับจิตตามเข้าไปตามเข้าไปเกิดดับเกิดดับตามเข้าไปเรา ก, ก็เทืง่งถึงอวิชาตัวสง่า ง, งามสุดยอดหลอกล่วงโลกได้สุดยอดก็คือตัวนั้นเรียกว่าจอมกษัตริย์วัตจักรอยู่ที่อวิชาสแสดงตัวเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มี ความสว่างสวัยแก้วกล้าทุกอย่างสงา่างามอยู่กับอวิชานั้นหมดนี่พิจารณาให้ดีตรงนี้เหล่านี้เป็นเรื่องเครื่องหลอกของวิชาชนันเมื่อสติปัญญาตามเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะขาดจะบ้านลงไปเพรอสิ่งวันนี้ขาดจะบ้านลงไปอวิชชาขาดลงไปแล้วที่นี่สิ่งที่ว่าเลิศเลยอ น, นั่นที่ว่าแดนนี่ผ่านคืออะไรคือสิ่งที่อันนี้ปิดเอาไว้นั่นแหละ คือ อ, อ, อวิชชาเหล่านี้มันปิดเอาไว้ที่พออวิชชาอันเป็นรากเหง้าของข้หมูลของการเกิดแก่เจ็บตายขาดตะบ้านไปจากใจแล้วธรรมชาติบิมุตดหลุดพ้นหรือว่าวิชาที่ยอดเยี่ยมได้แจกความบริสุทธิ์จะปรากฏเด่นขึ้นทีนั้นเพราะถูกปิดไว้เท่านั้นธรรมชาตินั้นอยู่ทางใต้ อวิชานี้ปิดไว้ทางบน <c oughs> พอพิจารณานี้ขาดสะบ้าลงไปหมดแล้วธรรมชาติที่ไม่เคยชิดเ <c oughs> คยขาดเคยฟันล้วจะปรากฏเป็นแดนอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราท <c oughs> ี่ทนาการบำเพ็ญเพียรวันนี้พูดสรุปความยอ่อๆ <c oughs> ให้บรรดาพระลูกพาระหลานทัางหลายฟังแล้วพิจารณาไปตามนี้จนกระทั่งเข้าถึงจุดที่ว่านี้เมื่อเข้าถึงอวิชชา อวิชชาขาดจะบัานออกไปจากใจเลยแล้วทีนี้จิตก็บริสุทธิ์เต็มที่ขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าบรรลุธรรมถึงขั้นวิมุตต์ดูดพ้นธรรมธาตุไม่ต้องเศษต้องสันเป็นขึ้นจิตใจดวงบริสุทธิ์เรว่ๆแล้วนั่นแหละ <c oughs> นี่คือผลแห่งการปฏิบัติของผู่บำเพ <c oughs> ็ญเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติเราพระที่ออกแนวลบแล้ว ให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติอย่างนี้อยากเห็นว่าสมบัติใดในโลกนี้จะดีจะเลิศเลยยิ่งกว่ารรมสมบัติแต่พราะอย่างยิ่งคือมิมูติสมบัติคือความหลุดพ้นของใจอันเป็นธรรมชาติลว้วนนี่เลิศเลยสุดยอดแล้วเมื่อถึงสมบัติข่้นนี้แล้วต่อยหมดโดยประการทั้งปวงบรรดาวัตรจักรวัตวน อันเป็นแรงสมมุติทั้งหลายนี่ขาดสะบั้นไปหมดมีแต่ธรรมชาติที่ยวอีหมดดูดพอนเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือผลเนี่ยงานที่เราวบำเพ็ญเมื่อ <c oughs> <c oughs> ถึงขั้นนี้แล้วก็รู้เองว่าอุสิตังพระมจจริยังกระตังกริยีงนาพลังอิตายาติปชาน า, าติพระมัจจั์ถือการลบค่าศึกได้แจกที่เดตังหา ซึ่งเป็นของยากเย็นเชนใจสุดยากนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรทำคืองานแก้เกลยียดนี่ก็ได้แก้ลงไปเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะให้ยิ่งกว่านี้ไม่ไมีนี่เรเรียกว่าวภูติตามพมจียังเป็นงานสุดท้ายประมวลวามภาพเปลี่ยนของเราในการข่าเกลียดลงมาถึงขั้นนี้จะวิชาก็พัง นิพพานก็ปรากฏขึ้นสดสดร้อนร้อนเป็นธรรมธาตุภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทั้งนั้นสารทิฏฐิโก ข, ขั้นสุดยอดประกาศต้องขึ้นมาในใจของท่านผู้บริสุทธิ์จะปรากฏเด่นชัดเป็นธรรมสดสดร้อนรอนเช่นเดียวกันหมดเราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรคผลนิพพานจะจืดจางไปอืมไม่จืดจาง มากผลนิพานก็ไม no, ่มีจื่จางที่เลสก็ไม่เคยจื่จางเมื่อสั่งสมที่เลสมากน้อยเพียงไรมันจะเกิดได้สดสดร้อนรเช่นเดียวกันกับธทรทำเมื่อเราบำเพ็ญสดสดร้อนรอนข้นขวายอยู่ด้ความภาคเพียรทำก็เกิดขึ้นมาสดสดร้อนรอนเช่นเดียวกันสุดท้ายก็ถึงมากผลนิพานได้สดสดร้อนรอนเช่นเดียวกันเมื่อทิเลส เครื่องหุ่งหมอปิดบางนี้ออกหมดแล้วนี่พานคืออะไรจะไปถามใครที่ไหนนี่ละเป็นธรรมสมบัติ <c oughs> เป็นสมบัติที่เลิศเลยพระพุทธเจ้าบวชก็สอนโรคสอนเพื่อสมบัติอันนี้แม้จะเป็นกษัตริย์เสด็ออกมาจะาผนวช <c oughs> มาบวชกับพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนนี้ปล่อยวางหมดสมบัติภายนอกเอาเข้าสู่สมบัติภายใน คือทำมาสมบัติจงกระเั้งถึงนิพพานสมบัติซ้อนลงไปจุดนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วไม่ถามหาอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิ น, นธรรมาสมบัติหรือธรรมทา่าที่จิตใจได้บําเพ็ญแล้วจนถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วนี่คือธรรมอันเลิศเหลอสุดยอดเกิดก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วตายไม่ต้องตายความทุกข์ยากลําบาก ก็ไม่มีอีกแล้วท่านว่านาทีดานี้ปุณณภูตั้งแต่บันนี้ต่อไปเราจะให้กลับมาเกิดอีกแล้วอยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราใครถึงทำประเภทนี้แล้วอยมันติมาชาติชาติสุดท้ายตก็จะประกาศขึ้นด้วยสันธิดิโสแห่งความเมื่อยสุดของใจที่บำเพ็ญมาเต็มดวงแล้วนั่นแหละนี่แหละท่านว่าความบริ่อยสุด สันทิจโกะจะประกาศป้างขึ้นมาที่นั่นถึงไดน้นห่งความโ้นถูกได้แล้วซึ่งสมบัติอันเลิศเลยสมบัติอันเลิศเลยคือนิพพานสมบัติสมกันกับผู้ประกอบความภาคเทียนหาสมบัติอันโลนฆ่าดังพระพุทธเจ้าทรงเลยค้นพบแล้วสมบัติอันโลนฆ่าประกาศตำสอนโรคจนกระเทือนมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ประกาศเพื่อสมบัติอันล้นค่านี่เป็นอันดับหนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นอันดับต่อไปต่อไปแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่เคยคือเคยลาสมัยเป็นแต่เพียงว่าขีเดชปิดบงังหุ่มห่อไว้เท่านั้นให้เหยียบย่าไปเหยียบย่าทาลายสมบัติอันล้นค่าให้กลายเป็นของไม่มีราคาค่ายกมูดยกพูดคือที่โรคที่โกรธขี้หลงนี่ขึ้นไปทัสมบัติอันล้นค่า คือทําอันเลืเลอดเดินนั่นไว้เสียไม่ให้มองเห็นแล้วเอามูดเอาพู้คือชี้โรคจี่โกรธชี้หลกนี่ออกโชทั่วโลกดินแดนขนแห่งความโลคความโกรธราคะตันหานี่ออกโชทําความเดือดร้อนแก่โลกทั้งแผ่นทั้งทั้งโลกเลยทั่วดินแดนไม่มีใครจะรับความสุขถ้าไม่แก้อันนี้ออกจากใจแล้วหาความสุขไม่ได้ เพราะง้นจึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สลัดปัดทุกออกจากสิ่งเหล่านี้ที่กําลังเสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นข อ, ของดีของดีให้สลัดออกให้ทำอันนี้ได้เกิดแทนที่เราจะไปเสียดายอีกไหมว่าที่โลกที่โกดที่หลงนั่ น, นว่ามันเลิศมันเลอมันเลิศเลอที่ไหนจะเสียดายอีกไหมขอให้ทำรรนี้ได้ขุดขึ้นมาภายในใจเนียกธรรมะธาตุปล่อยว่างโดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดที่เลิศดเลยสุดยอดเหมือนธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เต็มดวงนี่แล้วเลยนี่แปลนธรรมแปลนสมบัติล้นโลกสมบัติที่มีคำราคาล้นโลกคือสมบัติที่คู่บำเพ็ญปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนพระสงฆ์เวลาบวชแล้วให้ลูกกมลเาสนางไล่ให้เขาไปอยู่ในป่าในเขาตามถ้าเนือ้อผา เพื่อการบำเพ็ญธรรมธรรมเหล่านี้ให้ด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งรบกวนเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของจิตจิตนี่มันหมุนตัวตลอดเวลาต้องมีสติติด ต, ต, ตามดูตลอดในในสถานที่สงัดสงัดเช่นนั้นเราจะได้ติดตามดูเรื่องความคิดความตรุงของจิตที่เกิดผลผลักดันออกมาได้อย่างชัดเจนชัดเจนแล้วฆ่ากันโดยลาดับลานาไป เนี่ยความเพียรสถานที่จะนั้นเหมาะสมกับผู้ที่จะนําธรรมะที่เลิศเลอเข้ามาครองหัวใจให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรรมะนี้สดสดร้อนร้อนตลอดมาตั้งแต่พระพุตรเจ้าจักรรู้จนกระทั่งบัดนี้ยังจะสดสดร้อนรไปสําหรับผู้ปฏิบั ต, บติจะได้ธรรมะเหล่านี้มาครองหัวใจตลอดไปเช่นเดียวกันยังขอยพากันตั้ง อ, อกตั้งใจ เราเป็นห่วงพระลูกพาะหลานของเราท่านบวชมานิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อมากเพื่อผลค่อยจืดไปจ้างไปจ้างไปจนจะไม่มีอะไรปรากฏวงกรรมาฐานเราก็จะมีแต่ชื่อวงกรรมาฐานเวลานี้ยังปรากฏอยู่ชัดเจนอยู่ก็คือวงกรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นนี่เพราะเป็นวงที่เอาจีนโนจัางมาดั้งเดิมตั้งแต่หลวงปู่มั่น ท่านอยู่ในป่าในเขาบําเพ็ญอย่างนั้นตลอดมาตั้งแต่วันท่านบวชท่านไม่เคยไปสนใจกับสิ่งใดผู้ใดเลยจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานที่วัดปา่าจุฑาวาจังหวัดสกลนครท่านอยู่แต่ในป่าในเขาด้วยธรรมอัจฉ ร, รย์นี้ท่านท่านครองแล้วท่านก็ดูสบายสบายเนี่ยะทำอันเลิศเลย น, นี่ในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ผู้จารมั่น บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็พืชปฏิบัติตามท่านปรากฏเป็นเพรน้ำหนึ่งมาน้อยเมื่อไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นทั้งนั้นน่ไม่ว่าธรรมยุตธไม่ว่ามหานิกายเป็นศากยาบุตรอันเดียวกันหมดที่เลตรกับทมเป็นค่าศึกต่อการใครแก้ได้คนนั้นเลิศเลยเหมือนกันหมดนี่ก็เวลานี้ยังปรากฏอยู่สาหรับผู้ปฏิบัติกรรมฐาน ขอให้ท่านทั้งหลายดำรงไว้ซึ่งความภาคความเพียนสติสตังนะอยู่ชอบอยู่ในป่าในเขาอย่าจุนจ้านอย่าออกไปเดี๋ยวคอขาดกิเลสมันดาบคม น, นนะดาบกิเลสคอขาดไปเลยล่ะใครก็ชอบยื่นคอให้มันตัดเอาตัดเอาม่ไม่ได้เห็นไผ่พระพุทธเจ้าสอนว่าเห็นไผ่ทัล้ลายมันไม่ยอมเห็นให้จำให้ดีนาคราลูกพระลาน ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติถ้าอยากได้ท ร, รมาสมบัติอันเลิศเลอมาครองหัวใจให้ปฏิบัติตามแนวที่สั่งสอนมานี้จะไม่เป็นอื่นท ร, รมาสมบัติที่เลิศเลอนั่นก็คือวิมุตติสมบัติเต็มหัวใจหรือธรรมธาตุเต็มหัวใจนี่แหละเป็นธรรมอันล้นค่าจากนั้นแล้วก็เรียกว่านิพานเชียง นี่พานเที่ยงคืออะไรคือธรรมธาตุนี่แหละที่บริสุทธิ์ส่วนแล้วเที่ยงตลอดไปไม่ต้องกลับมากเกิดแก่เก็บตายอีกต่อไปเหมือนโลกทั่วไปท่านจึงให้สอดแสงหาธรรมประเภทนี้ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจบวชมาแล้วท่านไล่เขาป่าเขาเขาให้เราฟังตามพระว่าของพระพุทธเจ้าทำมาเหล่านี้จะเราจะได้มาครองหัวใจเรา เมื่อธรรมะที่เราไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาอืด้วยความภาพเปลี่ยนอย่างจริงแล้วได้มาเป็นสมบัติของเราแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ลื่นเลงบันเทิงสบายจ้าอยู่ภายในใจนะเอาเข้าไปอยู่ในส้วมในฐานก็ไปจ้าอยู่ในส้วมในฐานนี่แหละธรรมที่เลิศเลยเข้าไปอยู่ในส้วมในฐานที่ว่าเป็นที่โสภูธรรมชาติใจที่บริสุทธิ์นี่เลิศเลยอยู่ในส้วมในฐานนั่นแหละ ไม่เด้เป็นส้วมเป็นฐานไปตามสิ่งเรานั้นนะมันเลิะเลอะอยู่อย่างนีนะ้เราจึงฟอกใจของเราให้เป็นใจที่สั่งงามตลอดเวลายืนก็ให้งามเดินให้งามนั่งให้งามนอนให้งามด้วยความภาคเพียร ม, มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นอยู่ตลอดไปวงกรรมฐานของเราคือเราเองจะเป็นเครื่องยืนยันตัวเอง ว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสตาโกโหกโลกหรือเอามาปฏิบัติตามสาสนธรรมที่ทรงสังส่งสอนไปแล้วดูเป็นยังไงเรื่องธรรมจะปรากฏขึ้นตามสวัสดธรรมที่ตัสไว้ชอบแล้วนั่นแหละจะไม่เป็นดีท่านนอนจมอยู่กับตำรับตำลาที่ได้ยินได้ฟังเฉยๆจิตใจไม่สนใจไม่ว่าท่านเราจมไปตลอดนะ ผู้เรียนมากก็ดีเรียนน้อยก็ดีถ้าไม่สนใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนธรรมก็เหมือนเรียนโลกนั่นแหละไม่ผิดกันถ้าเรียนธรรมเป็นธรรมเพื่อความตั้งอกตั้งใจแล้วเป็นธรรมไปเรื่อยเรียนแล้วน้อมใจเข้ามาพระ พ, พุทธปฏิบัติตนตามทางของศาสดาแล้วจะไปไหนนั่นธรรมของพระพุท ธ, ธเจ้าอยู่ที่หัวใจของเราทุกคน แต่เวลานี้นี่เลยตั้หาประแภท ต, ต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนส่วมเหมือนฐานมันปกคุมผู้มหม่อไว้นี่เท่านั้นจึงไม่มองเห็นสิ่งเลิอดเลยภายในหัวใจของเราจึงให้เปิดสิ่งเหล่านี้ออกความสกปกที่โรคที่โกรธที่หรงราคาตัณหาเปิดออกด้วยความภาคเพียรเอาใจให้ดีการตั้งสติบังคับจิตใจของตอนนี้เป็นของสาคัญมากนะท่านทั้งหลายอย่าลืมนะสติ การตั้งสตินี้ก็มีหลายประเภทนะการตั้งสติตั้งธรมธรมดาธรรมดามักจะจะหลุดจะลอยผิดพลาดไปได้เผลอไปได้ให้สังเกตดูการอยู่การกินการหลับการนอนของเราเป็นยังไงกินมากตั้งสติไปยังไงกินน้อยตั้งสติไปยังไงให้สังเกตอันนี้อีกนะยังมีแต่ว่าตั้งสติแล้วดีดีตั้งเสียงจริ ง, รงที่เป็นรูปธรรมต่อสติยังมีเช่นเวลา เราฉันมากๆนี่มันอืดอัดเหนื่อยหนายนะนอนก็มากขี้เกียจก็มากตั้งสติผิดพลาดทางนั้นเอาถอยอาหารลงมานี่แหละการฝึกตนเพื่อความเลิศอนเลยต้องมีทุกยากลำบากเฉนใจเป็นธรรมดาอดบ้างอิ่บ้างเอายอมรับเรามุ่งต่อทำมาเลิศอนเลยเอาความลงไปสังเกตกันไปจ ก, กินน้อยไปยังไงกินมากไปยังไงตั้งสติได้ผลยังไงบ้างให้สังเกต การหลับการนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงให้พิจารณานี่แหละวิธีการประกอบความเปลี่ยนไม่ใช่ว่าตั้งสติจะตั้งออเฉยเฉยสิ่งที่เป็นข้าศึก ต, ต่อสติยังมีตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะต้องได้พิจารณาสิ่งที่มันเกาะเกี่ยวกันอยู่นั่นอีเราต้องพิจารณานี่แหละทีนี้ก้าวเดินได้ไม่สงสัยอืให้ใช้ความพินิตรพิจารณาน้ปฏิบัติยาสักแต่ว่าทําอยาสักแต่ว่า <c oughs> ภาวนาเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> แล้วกรรมฐานเราอย่าพากันดีดดิ้นไปหาการก่อการสร้างมากมายนางนะไม่ถูกทางของศาสดาเลยอืมพอบวชแล้วไล่เขาในป่าในเขาไม่ใช่ไล่ให้ไปก่อสร้างนะสร้างตึกสร้างร้านสร้างศาลาหลังใหญ่ๆโ ต, ๆ, ตๆสร้างความกังวลสร้างความกังวลแต่ตัวแล้วยังไปรบกวนประชาชนญาติโยมเข้าอีกนิม ศาสนาขวรบ้านขวรเมืองให้พากันจำให้หลีนะศาสนาแท่ไม่ควรใครข่วรตั้งแต่ที่เดที่มันขวนเรานี่แหละมันขวนในหัวใจเราเราก็ขวนมันเอามันให้พังให้พังอยู่ตรงนี้อย่างศาสนาธรรมแท้เป็นอย่างนี้ศาสนาวัตถุนบวนมาแล้ววุ่นตั้งแต่กับวัตถุเหมือนโลกสงสารเขามันก็เป็นเรื่องโลกไปหมดมันไม่เป็นเรื่องธรรมเรื่องธรรมแท้ดูที่เด็กตัวมันดีดมันดิ้นอยู่ในหัวใจ มันดิ้งเพราะเห็นไรสติปัญญามีฟาดมันลงไปตรงนี้แล้วกิเลสตัวดี้ิ้นนี่สงบลงสงบไปความดีความดิ้งอยากทำนู้นทนํานี่ไม่มีอันนี้มันไปหาเกาในที่ไม่คันจ่อหัวเข้าไปนี่กิเลสตีหน้าผ่างายออกมาแล้วเลยไปหาทํานั่นทานี่เพื่อแก้ลาคาญมันไม่ใช่แก้ลาคาญมันเพิ่มลาคาญให้ฟาดมันลงไปมันจะร้อนขนาดไหนมันจะเป็นไฟกองไหนนะกิเลส ตัวราคะทินาโทสักทินามคคาินหัวใจนี่เอาสติจับเข้าไปจับเข้าไปมันจะพังบันอย่างจนได้พออันนี้พังแล้วอยู่ไหนสบายหมดสร้างไม่สร้างไม่เห็นสำคัญอะไรสร้างหัวใจให้สมบูรณ์แบบสิอย่างเดียวฉะนั้นพอให้สั้นแต่หลายพากันจำมาว่าผมวิจกวิจารกับพระลูปพระลานอยู่ในที่ต่างๆห่างเหินจากข้อบ้าความเปลี่ยนมากเวลานี้นะการคิยาที่แสดงออก ไปผ่านไปผ่านไปในวัดต่างๆดูหมดเห็นหมดนะอืกิริยาของจิตอยากแสดงว่าห่างต่อความภาคความเพียรถ้ากิริยาของจิตละเอียดรอมาจากความเพียรมีสติสะพัจะตั้งละมัดระวังตนเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์อะไรกิริยาเมตายาณทุกอย่างจะเรียบร้อยสวยงามออกมาจากใจนี่มันจะด้านไปแล้วนะเนลวลานี้จะมาถานเรา มันด้านที่หัวใจที่ยาแสดงออกเลยด้านก็ยไม่รู้สึกตัวนี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีทางจงกรมเดิน <c oughs> ไม่ได้ดูหัวใจตัวเองเลยใช้ไม่ได้นะแล้วดูตั้งแต่ภายนอกมันโลกเขามันวิเศษวิโสอะไรให้ดูหัวใจตัวเองที่ไปไหนดูหัวใจตัวเองที่เด็ดมันจะเก่งขนาดไหนศาสนาองค์เอกสอนไวแล้วทำมอบให้แล้วเครื่องปราบกิเด็ดเอามาปราบสี่อย่าให้แต่ทีเด็ปราบทำสักอย่างเดียวไม่มีเหลือ ตั้งอกตั้งใจนะศา ส, สนาจะล่อยลอไปทุกวันทุววันถ้าพวกเราไม่สนใจปฏิบัติตนเองศา ส, สนาจะสิ้นไปต่อหน้าต่อตาของเราที่คล้องผ้าหัวโล้นนี่แหละผ้านี่ใครคล้องมาจากไหก็ได้เอามาอย่างไหนก็ได้ถ้าไม่มีความภาคเพียรข้าทศึกีิเลสไม่ตัวกิเลสตัวแต่ผู้มีความภาคเพียรมีิปัญญาดังที่สบายมาแล้วนี่ของพรากันตั้งอกตั้งใจ ไปถึงสัมมาาคแล้วอย่าลืมความภาคเพียรอย่าตืดอย่าจางให้เข้าตัวร้อนๆอยู่กับความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่าห่างเหินงานนี้เป็นงานประจําพระโดยแท้งานงนอกนั้นเป็นงานอไม่เป็นประโยชน์อะไรแต่ใจเลือกที่เรียนมันชอบไปติดพันกับงานนอกๆวัตถุนั่นวัตถุนี้อันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีหัวใจมันเร็วมันไม่ดูอันนี้แหละสาคัญมาก ให้ดูหัวใจตัวมันเร็่ยวๆนี่ฟาดลงไปด้วยสติปัญญาพอตัวเร็วๆอยู่ในหัวใจนี่ขาดลงไปแล้วอยู่ไหนสบายหมดที่นี่ไม่เรี่ยวแรงใจอยู่ไหนสบายหมดให้สนใจที่นี่เรียวกว่าศาสนธรรมอยู่ที่ใจนะศาสนวัตถุอยู่กับการก่อสร้างนั่นสร้างนี้ยุ่งไปหมดในครั้งพุทธการท่านไม่นิยมแต่พุทธเจ้าเองทรงแสดงไว้นี่ก็เรียนมาแล้วที่เนียนมาสอนลูกสอนหลานดูหมด ถูกแง่ทรงมุมยูเจ้าทรงสั่งสอนไว้คนพระจ่ยพิเดลแต่แหลกพูดคำมันชัดสวรรคนี้นะเออเป็นอะไรเป็นสาระหรือเป็นสร ะ, สระจึงแนะนํามาสอนพระลูกพระหลา น, ลานลที่เป็นสาระสาคัญสำคัญสัญบสนร้อนก็คือลูกขโมโรลเชนอาสนาบวชแล้วให้ไปอยู่ในปา่าในเขาประกอบความภาคเพียรอย่าคู้นกับสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าประการประกอบความเพียรด้วยสติมันอย่าให้เผลอตัวลืมตัวนี่เป็น นี่เรียกว่าผู้มีความเพียรแต่ะวันนี้การแสดงธรรให้ลูกให้หลานทั้งหลายฟังก็เห็นมาสมควรแก่ทาแก่ขันการเวลาขอกรสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายทั้งประชาชนญาติโยมและผาาเนโดยทั่วกันทอ้